วันนี้รถมันมาเร็วมาเร็วเลยเหนื่อยพวกเราพอวนาดีขึ้นเยอะเลยนะใจเราโดยภาพรวมนะใจเราเปลี่ยนไปเยอะละใจเราตื่นจิตใจสว่างสวคือการภาวนาเนี้ยถ้าเราทำไปตามยะถากรรมสเป ส, สปาไปเรื่อยๆ ไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรเนี่ยไปไม่รอดหรอกเหนื่อยเปล่าๆเพราั้นหลวงพ่อพยายามบอกพวกเราตลอดเลยว่าเป้าหมายของการปฏิบัติของเราอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรเราจะทำเพื่ออะไรเสร็จแล้วก็บอกว่าจะทำอย่างไรเนี่ยสอนอย่างเป็นระบบเพราะ้นเราจะมองภาพการปฏิบัติทั้งระบบออก เราเห็นภาพการปฏิบัติทั้งระบบได้นะการภาวนาจะไม่ยากนะไม่ค่อยนอกรู้นอกทางาเรามองภาพรวมของการปฏิบัติไม่ออกก็สเปะสปะไปเรื่อยๆก็ลองผิดลองถูกทำอย่างนี้น่าจะดีนะทำอย่างนี้น่าจะดีคิดได้เท่านี้นะจริงๆเราไม่ได้ภาวนาเอาดีหรอกภาวนาต้องเหนือดีเหนือชั่วให้ได้แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าให้ทำชั่วนะ ไม่ใช่บอกว่าเหนือดีแล้วไปปล่อยตัวเองทําชั่วได้เป็นไปไม่ได้หรอกเป้าหมายแรกของการปฏิบัติพวกเราจะต้องมุ่งไปสู่ความเป็นพระโสดาบันให้ได้อย่าไปวาดภาพพระโสดาบันว่ายากไกลเกินไปเกินฝันฝันยังไงก็ไปไม่ถึงอะไรอย่างนี้ถ้ามัวแตคิดอย่างนั้นชาตินี้ก็ไม่ถึงนั่นแหละแต่ถ้าเรารู้ว่าพระโสดาบันเป็นยังไงมีคุณสมบัติยังไงนะ แล้วเราก็ดําเนินไปเพื่อให้เกิดคุณสมบัติตามพระโสดาบันเดี๋ยวเราก็เป็นพระโสดาบันบางคนภาวนา7วัน7เดือน7ปีเขาก็เป็นได้นะย่าว่าแต่โสดาบันบางคนเป็นพระอรหันต์นะแต่ไม่ไม่ใช่ยุคเรานะยุคเราหายากของเรา7ปีได้โสดาก็ก็ใช้ได้แล้วนะพวกเราพวกอินทรียไม่แก่กล้าเท่าคนคลา่พุทธการ การที่พวกเราหัดภาวนาเนี่ยเราพัฒนาอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าขึ้นมากเลยงัย้นเบื้องต้นเนี่ยเราค่อยๆฝึกตัวเองนะพระโสดาบันเนี่ยท่านมีคุณสมบัติยังไงเราต้องรู้ตัวนี้พระโสดาบันเนะี่ยคือท่านผู้เห็นความจริงเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเห็นสิ่งที่เกิดดับนะเข้าใจสิ่งที่เกิดดับว่าทุกสิ่งที่เกิดนั้นดับทั้งสิ้นจะต่างกับพระละหาันพระโสดาบันเห็นสิ่งที่เกิดดับพระลนะหันนั่นแะ ไปรู้แจ้งสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นคนละสเต็ปกันนั้นพวกเรายัางไม่ต้องไปดูสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับในขณะนี้นะเอาขั้นต้นให้ได้ก่อนพระโสดาบันรู้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปําว่าสิ่งใดสิ่งใดสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งใดก็คือกายกับใจนี่เองทำไมไม่ไปดูอย่างอื่นทำไมต้องดูที่กายที่ใจนะเพราะว่าเรายึดกายยึดใจเป็นตัวเรา ทำไมเราไม่ต้องไปดูเจริญสติปัฏฐานดูโต๊ะดูนาฬิกาดูไมโครโฟนไม่มีใครบ้าที่จะเห็นโต๊ะเป็นตัวเราเใช่ไมไม่มีใครบ้าเห็นนาฬิกาเป็นตัวเรายกเว้นบ้านะบ้าบอกฉันคือนาฬิกาหรือฉันเป็นไมโครโฟนนะงั้นโดยปกติถ้าเราสติสัมปชัญญะปกติไม่มีใครเห็นของข้างนอกเป็นตัวเราอยู่แล้วสิ่งที่เรารู้สึกเป็นตัวเรานะถ้าไม่กายก็ใจมีอยู่เท่านี้เอง การภาวนาในทางศาสนาพุทธนี่มีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานบอกว่าเป็นทางสายเอกทางสายเดียวในสติปัฏฐานมีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจเท่านั้นเลยไม่มีอย่างอื่นหรอกไม่ใช่ไปรู้ความว่างรู้ความไม่มีอะไรไม่ได้ไปบังคับกายให้นิ่งไม่ได้ไปบังคับเวทนาไม่ให้เกิดไม่ได้บังคับจิตให้มีแต่กุศลอย่างเดียวไม่มีการบังคับอะไรเลยแต่รู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นมันจะยากอะไร ในการที่จะรู้กายรู้ใจจนเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่มีตัวเราที่ถาวร mm hmm. ก่อนจะเข้าใจคําว่าอนัตตานะต้องเข้าใจคําว่าอัตตาก่อนอัตตาเนี่ยไม่ไม่มีในศาสนาพุทธพวกฤาษีชีภัยพวกพรามณ์แต่ก่อนนะเขาเชื่อว่ามีอัตตาคือมีตัวตนที่แท้จริงอยู่ในนี้พอร่างกายตายนะตัวตนที่แท้จริงหรืออัตตาเนี่ยออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่ได้อีก เรียนไหว้ตายเกิดเนี่ยส่วนมากพวกเราไปเชื่ออย่างนั้นพวกที่ไม่ได้เรียนธรรมะนะจะเชื่อว่าพอตายปุ๊บจิตออกจากร่างบางคนมาถามหลวงพ่อว่าย่าดิฉันตายนะไปเกิดที่ไหนบอกใครจะไปรู้หละตอนย่าเป็นๆอยู่ที่ไหนหลวงพ่อยังไม่รู้เลยมันไม่ใช่ว่าจิตถอดออกจากร่างนะแล้วเดินตุ๊บป่องตุ๊บ ป, ป่องไปไปเกิดตรงโ้น ต, ต, ตรงนี้ จิตมันเกิดดับเป็นขณะขณะขณะไปเนียนี่เราดูไม่เห็นเราต้องค่อยๆฝึกนะค่อยๆพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาเครื่องมือสองอย่างที่จะทำให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้นะอนาตตาเนเป็นความจริงอันหนึ่งนะอนี้จังทุกขังอนาตตาเนี่ยเป็นความจริง ทุกสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปหมดเลยทุกสิ่ zą, งที่เ be กิดขึ้นเนี่ยถูกบีบคั้นทนอยู่ไม่ได้นานทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเรามีเหตุถึงจะมีไม่มีเหตุก็ไม่มีแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐินะบอกไม่มีอะไรเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าไม่มีอะไรเลยท่านบอกสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็มีสินะ นั่นเรียนธรรมะอย่าเพี้ยนเพีนเพี้ยนง่ายนะไอ้นั่นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตติกาทิฏฐิถ้าเป็นชาวพุทธเราจะรู้ว่าถ้ามันมีเหตุมันก็มีถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีนี่นความจริงนะความจริงของกายของใจก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นิจจังก็คือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกขังก็คือ มันถูกบีบขันทำไมมันถูกบีบคั้นเพราะเหตุที่ทําให้ตัวมันเกิดขึ้นมาไม่เคยคงที่เลยเหตุนั้นเปลี่ยนตลอดนะมันถูกบีบขั้นแล้วก็มันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามใจเราอยากนี่เรียกว่าอนัตตานะเราบังคับไม่ได้จริงหรอกอย่างเราบังคับใจเราไม่ให้โกรธก็ไม่ได้บังคับใจไม่ให้คิดก็ไม่ได้บังคับได้ก็ได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็แอบไปคิดใหม่นะบังคับไม่ได้จริงนี่เรียกว่าความจริงนะ ทำยังไงเราจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ก็พัฒนาเครื่องมือสองตัวตัวแรกเรียกว่าสติตัวที่สองคือสัมมาสมาธิถ้ามีสติอันเดียวจะทำสมถะถ้ามีสัมมาสมาธิอันเดียวไม่มีถ้ามีสติอันเดียวนี่มีแต่ถ้ามีสติบวกกับสัมมาสมาธินจะเกิดปัญญามีสมการนะมีสมการสติบวกกับสัมมาสมาธิเท่ากับปัญญา อาจจะต้องมีตัวเออร์นิดหน่อยต้องคูณอะไรอีกนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วแต่แต่ละคนมีต้นทุนไม่เท่ากันบางคนมีสติมีสัมมาสมาธิแวบเดียวเท่านั้นนะคราวแรกที่มีแล้วก็ตัดเลย <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่าเขาแก่รอบมาแล้วบางคนอย่างอินทรีย์ยังไม่แก่รอบนะก็ต้องดูแล้วดูอีกอดทนอดทนดูแล้วดูอีก ถามว่าควรที่จะอดทนไหมก็สมควรที่จะอดทนดูแล้วดูอีกเพราะตลอดเวลาที่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจเรามีความสุขพวกเรานึกออกไหมแค่เรารู้กายรู้ใจเรายังไม่บรรลุมรรคผลเราก็มีความสุขแนละ้วงั้นจะเสียหายอะไรที่เราจะคอยรู้กายรู้ใจไม่มีอะไรเสียหายมีแต่ผลประโยชน์นะยุคนี้อะไรอะไรก็เน้นผลประโยชน์นี้เราก็ผลประโยชน์ทางจิตใจของเรารู้สึกตัวไว้แล้วจิตใจมีความสุข นี้รู้สึกไปเรื่อยๆนะเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานจิตตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจะเห็นทันทีเลยาร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่ทํางานอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยนับจํานวนไม่ถูกลยะเยอะแยะไปหมดเลยเนะหลืออันเดียวยังเห็นว่าจิตเป็นเราอยู่นะ ถ้าวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราก็ได้พระโสดาบันแนะทุกสิ่งมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีตัวตนถาวรไม่มีตัวเราที่ถาวรนนะเป็นพระโสดาบันได้ไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยขอให้รู้หลักเท่านั้นเองมองให้ออกนะสรุปง่ายๆก็คือเราภาวนานะเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเที่ยงเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็พอ จิตมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเบื้องต้นเป็นปัญญาระดับพระโสดาบัน <c oughs> เห็นว่าไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือกายนอกเหนือ ใ, นใจนี้ไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยปัญญาเบื้องปลายก็จะเห็นนะกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์จะเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆนะจิตที่จะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจพอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะจิตที่ปล่อยกายปล่อยใจทิง้งเรียกว่าพ้นจากรูปนามพ้นจากกายจากใจก็จะไปเห็นนิพพาน พระอราหันต์จะไปประจักษ์นิพพานประจักษ์สิ่งซึ่งไม่เกิดไม่ดับพระโสดาบั น, นเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะเห็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไม่ยากเกินไปที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในชีวิตนีนะ้คนที่ทำไม่ได้นะส่วนใหญ่ก็คือคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะหรือฟังธรรมะแล้วไม่ลงมือปฏิบัติเอาแต่คิดอย่างเดียวหรือปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบดื้อๆเพ่งลูกเดียวไนะเพ่งลูกเดียวไม่ได้กินหอก เสียเวลาเปล่าๆหลวงพ่อภาวนาทําไมกล้าพูดอาหารเหลือเกินมาเพ่งลูกเดียวไม่ได้กินเพราะหลวงพ่อเพ่งอยู่22่สิบปีตั้งแต่ปี2 5งพนะเพ่งมาเรื่อยๆเลยเพ่งเก่งนะใครอยมาแข่งเพ่งกับเราเราสู้ตายเลยแต่เนี่ยเพ่งเรียกว่าแข่งโง่กันเพงเพ่งเพงให้มันนิ่งๆจนปี25ดูสิอดทนเพ่งอยู่ได้จนปี25งห้านะ ถึงเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูกายดูใจหลวงปู่ดูลบางคนท่านก็สอนบางคนให้ดูกายบางคนท่านก็สอนดูจิตใจอย่างหลวงพอ่อท่านสอนให้ดูจิตเพราะจริตนิสัยของเราต้องดูจิตจริตนิสัยก็คือ เ, เป็นพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากพวกชอบวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ไม่ใช่พวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามฉะนั้นท่านสอนกรรมาฐานตรงกับจริต ท่านให้รู้กายรู้ใจนะโดยคําสอนของท่านโดยรวมมีสติ น, นั่นเองมีสติก็เป็นตัวรู้กายรู้ใจระหว่างรู้กายรู้ใจรู้ด้วยความตั้งมั่นใจอยู่ตั้งหากนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นกิเลสและกูศลทั้งหลายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่ง นะเดี๋ยวเกิดที่ตาแล้วก็ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจในี่วนเวียนอยู่อย่างนี้เฝ้ารู้อยู่ในกายในใจอย่างนี้แหละดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เห็นว่าไม่มีตัวเรานะใช้เวลาไม่มากหรอกที่ใช้เวลามากก็ทําผิดนะนั้นถ้าพวกเราภาวนาไม่ผิดนะภาวนาถูกหลักสามารถมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ไม่เผลอเผลอก็ลืมกายลืมใจไม่เพ่งเพ่งก็ไม่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะกายก็นิ่งใจก็นิ่งนะ งั้นถ้าไม่เผลอไปเราก็ไม่ไปเพง่งกายเพ่งใจให้นิ่งๆไว้เดี๋ยวพอปัญญาเขาเกิดไม่ต้องห่วงหรอกเกิดแงๆอยู่แล้วไม่ยากหรอกมันจะโง่อะไรปานนั้นจะไม่เกิดเลยทีเดียวหรอเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นอยู่ที่ว่าทําให้ถูกหลักนะพวกเราค่อยๆฝึกไปทํายังไงสติจะเกิดพูดทุกวันเลยสติเกิดเพราะจิตจําสภาวะได้แม่นงั้นเรียนกับหลวงพ่อนะถ้าใครเขาถาม มาเรียนกับหลวงพ่อประโมทแล้วทำไมหน้าตาสดใสขึ้นมาหลวงพ่อประโมทสอนอะไรตอบยากรู้สึกไหมตอบยากไม่รู้หลวงพ่อสอนอะไรหลวงพ่อพูดอะไรเรื่อยๆไปแล้วมันตื่นขึ้นมาเองไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้มั่วขนาดนั้นนะหลวงพ่อสอนให้เราดูสภาวะนะจำไว้นะถ้าใครเขาถามว่าหลวงพ่อประโมทสอนอะไรบอกหลวงพ่อประโมทสอนให้หัดดูสภาวะสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรม นะเช่นหายใจอยู่ก็รู้สึกตัวนะเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูนี่ฝึกไปนะสภาวะของความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นก็รู้ไปนะนี่สิ่งเหล่านี้เป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตก็เกิดดับก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนกันจนะเฝ้ารู้หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆการที่หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆต่อไปจิตจําสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเอง เห็นไมไม่มีวิธีทำให้สติเกิดหลวงพ่อประโมทไม่สามารถทำให้พวกเรามีสติได้แต่ถ้าจิตของพวกเราจำสภาวะได้แม่นสติพวกเราจะเกิดเองบางคนบอกหลวงพ่อนี่อภินิาหารมากนี่ถ้าหลวงพ่อไปทำพระเครื่องขายแนละ้วรวยไปนานละนะรวยรวยไม่รู้เรื่องเลยล่ะลูกศิษย์วัดหลวงพ่อนะั้นมันชอบลดความแล้วมันไะม่เป็นไรสักลายหนึ่งลดควาลดหงายลดหมุนเนะี่ย แสดงนิสัยเสียพวกใจร้อนเข้าใจไหมพวกที่มาเรียนกับหลวงพอ่อพวกใจร้อนพวกปัญญากล้าปัญญากล้าโทสะมันจะกล้าด้วยพวกรวดเร็วรุนแรงนะเพราะฉะ้นพวกนี้ใจร้อนมากเลยขับรถก็โครมโครง ค, ค, คลามคลามนาะชวนพระแถววัดหลวงพ่อนะออกบินทบาทถ้าหน้าหนาวเนี่ยพระต้องเปิดไฟท้ายนะ <c oughs> คือมีไฟฉาย <c oughs> ถือเปิดไปข้างหลังนะไม่งั้นรถมันจะเยียบเรานะพวกที่มาวัดนี่แหละพระก็ต้องมีไฟท้ายนะอ เนี่ยน่าสงสารเนั้นโดยพื้นฐานเนะพวกเราพวกรวดเร็วรุนแรงสมก็เป็นชาวเมืองเราหัดดูจิตโดยใจนห่มันเหมาะอริตนิสัยของเราผึกไปเรื่อยนะหัดดูดูรู้สติเกิดพอขับรถรถจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสติเกิดเองรถกําลังหมุนนะหมุนกี่ตลบเนี่ยรู้หมดเลยมีสติการที่เรามีสติอยู่นี่มันช่วยป้องกันอันตรายได้หัวกําลังจะโขกตรงนี้ก็หลบซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ไม่เอาตัวรอดได้ไม่ใช่หลวงพ่อขลังหรอกนะหลวงพ่อก็ต้องพูดแบบนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะมาขอพระเครื่องเราต้องฉลาดพอนะฝึกสติของเราเพ้่มาเป็นเครื่องคุ้มครองตัวเองเราไปก็ฝึกให้เกิดปัญญาจะเกิดปัญญาได้ต้องมีสติแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นวิธีฝึกให้สติเกิดก็คือหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆวิธีฝึกให้เกิดสัมมาสมาธิมีสองวิธีวิธีหนึ่งทำฌาน หน้าตาพวกเราส่วนใหญ่ทําฌานไม่ได้เพราะใจร้อนนะทําฌานก็ททำกันแรมปนะีต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแรมปีแรมเดือนนะแรมทดสวัสดนะนะ์นี่พวกเราใจวักแวกวักแวกเนี่ยเราทําฌานเต็มรูปแบบไม่ไหวนะเราก็ทําสมาธิ ที่เรียกว่าคณิกะสมาธิแทนคณิกะสมาธิเป็นสัมมาสมาธินะเป็นความตั้งมั่นของจิตแต่ตั้งชั่วขณะเท่านั้นเองชั่วแวบเดียวในขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตตั้งมั่นคนทั่วไปเวลารู้สึกตัวขึ้นมาจิตไม่ค่อยตั้งมั่นหรอกจิตชอบไปทำงานต่อจิตไม่ได้สักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ได้รู้แล้วจบลงที่รูนะ้เช่นพอความโกรธเกิดขึ้นเนสติระลึกได้ว่าโกรธนะ ก็เริ่มทำอะไรต่อไปอีกเช่นโกรธนอโกรธนอเนีย่ยอันนี้ฟุ้งซ่านละหรือไปหาทางทำให้ไม่โกรธหรือไปดึงจิตคืนมาไปเพ่งจิตให้นิ่งอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นการแทรกแสงแล้วไม่ใช่รู้แล้วจบที่รู้นะจิตไม่ตั้งมั่นหรอกจิตฟุ้งซ่านไปทำงานต่อแล้ววิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นชั่วขณะตั้งชั่วขณะนะไม่ตั้งนานอย่าให้ตั้งนานถ้าใครรู้สึกว่าดีฉันตั้งมา3ชั่วโมงแล้วเพียนแน่ๆเลยเพรตั้งชั่วขณะ ยกเว้นแต่พวกเล่นฌานมาก่อนนะทรงฌานมันตั้งอยู่ได้เป็นวันวันแต่ถ้าไม่ได้ทรงฌานอยู่มันแวบบแวบบแวบบใจไหลสังเกตไหมตรงหลวงพ่อร้องแวบบแบบเนี่ยใจพวกเราแว บ, บจริงๆรู้สึกไหมหลงไปเลยหลงไปเกือบหมดห้องเลยน่าประนามมากเลย <c oughs> ใจหายแวบวบแวไปรู้สึกไหมตอนนี้ใจผ่อนคลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเนี่ยเราเฝ้ารู้เนี่ยเรามีสติรู้อย่างนี้เรียกฝึกสตินะฝึกสติ ถ้าฝึกสัมมาสมาธิจิตเราจะไหลไปจิตไม่นจะเคลื่อนไปถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วเราคอยรู้อย่าไปดึงคืนนะแค่รู้ว่ามันเคลื่อนไปมันจะตั้งมั่นขึ้นเองยกตัวอย่างเอาช่วยกันมองมองอะไรดีเอามองพระพุทธรูปสังเกตไหมเวลามองพระพุทธรูปส่วนใหญ่จิตไหลไปอยู่ที่พระมีบางคนนอกข้อจิตไหลไปอยู่ที่หลวงพ่อมีเล็กน้อยนะนะเอาพอแล้วเดี๋ยวพระท่านศึกหมดนะ สังเกตไหมเป็นอย่างเวลาเรามองนะจิตเราก็วิ่งไปดูเห็นไหมเวลาเราฟังจิตเราก็ประตั้งใจฟังฟังแล้วก็คิดเวลาคิดเนี่ยจิตไปรู้เรื่องที่คิดจิตไหลไปคิดขณะที่จิตวิ่งไปดูนะก็ลืมตัวเองขณะที่จิตวิ่งไปฟังก็ลืมตัวเองขณะที่จิตวิ่งไปคิดก็ลืมตัวเองเรียกว่าขาดสติด้วยนะแล้วจิตยังไหลไปอีกเรียกว่าไม่ตั้งมั่นไม่มีทั้งสติไม่มีทั้งสัมมาสมาธิเลยนะแต่ถ้าเมื่อไร่เรารู้ว่าจิตไหลไปนะเราไม่ดึงนะ มันจะตั้งมั่นเองมันจะตั้งขึ้นเองเพราะอะไรเพราะจิตที่ไม่เที่ยงจิตมันก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลไปก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปนะมันก็ไม่ไหลให้ดูไดนะ้จิตที่ไปรู้ว่าไหลไปนั่นแหละมันไม่เคยไหลไปไหนนะงั้นเราฝึกวิธีง่ายๆนะไม่ยากอะไรหรอกบางคนบอกฟังแล้วก็งงงงก็รู้ว่างงสงิไม่เห็นต้องสงสัยนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆ เพราะฉะั้นเรอยฝึกนะหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆหัด2 อ, อย่างเท่านั้นแหละอันแรกสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกสภาวะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกนะอีกอันหนึ่งที่ฝึกก็คือถ้าใจเราไหลไปใจเราวิ่งไปวิ่งมาเราก็ค่อยรู้ทันแต่อย่าดึง้อยอยู่นิ่งๆไม่ต้องรักษาไว้ให้มันวิ่งไปแล้วเราก็รู้ว่ามันวิ่งไปนะมันจะตั้งมั่นเองมนะันตั้งได้แวบหนึ่งนะแวบตรงที่รู้ว่าหลงนะั่นแหละ อย่าขณะที่ใจเราไหลไปคิดเราหลงไปคิดสังเกตไหมบางคนพอใจหลงไปคิดแล้วก็เกิดสติระลึกได้ว่าเอา้าหลงไปคิดแล้วเนี่ยจิตจะตื่นขึ้นมาเลยมีสัมมาสมาธิเรียบร้อยเลยนะนั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปนะจิตที่หลงไปคิดเนี่ยนะมันขาดทั้งสติขาดทั้งสัมมาสมาธิเวลามันหลงไปคิดมันลืมกายลืมใจเรียกว่าไม่มีสติในขณะที่มันไหลไปอยู่ในความคิดแล้วเราไม่รู้ว่าไหลไปเรื่อไม่มีสัมมาสมาธิ งั้นถ้าคนไหนเห็นจิตที่ไหลไปคิดปั๊บนะจะมีทั้งสติมีทั้งสัมมาสมาธิการรู้ว่าจิตหลงไปคิดเนี่ยจึงเป็นกรรมฐานที่สนุกที่สุดเลยน่าเรียนที่สุดเลยแล้วรัดสั้นที่สุดเลยหนะลวงพ่อเทียนเคยบอกนะบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติถ้ารู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดถ้ารู้ว่าจิตแอบไปคิดนะรู้สึกไหมจิตแอบไปคิดหนะลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บ เป็นไหมไปคิดอุดตลุดเลยนะให้คอยรู้เองเนี้ยคอยรู้นะคอรู้ไปเรื่อย asaki. ต่อไปจิตไหลไปคิดเราก็รู้จิตไหลไปคิดเรารู้จิตจะตื่นขึ้นมาจิตที่ตื่นคือจิตที่มีสติแล้วก็มีสัมมาส ม, มาธินั่นเองนะมันจะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วรู้กายตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้ใจรู้ไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็เห็นเลยทุกอย่างในกายนี้ชั่วคราวหมดเลยเช่นหายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราว ยืนเดินนั่งนอนนี่ชั่วคราวหมดเลยนะอะไรๆก็ชั่วคราวหมดในร่างกายนี้ความสุขความทุกข์ทางกายความสุขท่าความทุกข์ความเฉยๆทางใจก็ชั่วคราวอีกนะกุศลและอกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ชั่วคราวอีก น, ะนี่ฝึกดูอย่างนี้เห็นสภาวะอะไรสภาวะแสดงตัวออกมาเรก็เห็นว่ามันชั่วคราวเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะ7วัน7เดือน7ปีวันหนึ่งก็ปิ้งขึ้นมาเลย ว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ของโชวคราวตัวเราคำ ว, ว่าตัวเราตัวเราหมายถึงตัวเราที่ถาวรตัวเราที่เท้่ยงแทนะ้แต่ตัวเราโชัแบบ่วแวบๆบเนี่ยความคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยมีรู้สึกว่ามีตัวเราอันนี้ไม่ใช่อัตตาที่แท้จริงหรอกนะเป็นความเข้าใจผิดของจิตเท่านั้นเองอัตตาไม่มีอัตตาไม่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไรออาเทสเท่านี้พอไหมได้ข่าวว่าจะมีคนถาม20คน ดีวันนี้มาเร็วได้ยินกลาวนมรดการหลวงพ่อคะ่ะหนูมาสารวิชินเป็นครั้งที่3นะคะส่งกันส่งในชื่อตลอดแต่เพิ่งจะถูกจับได้คะ่ะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเมื่อก่อนเคยปฏิบัติโดยการสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานะคะแล้วก็ได้ไม่ได้มีโอกาสได้พบทีมของคุณจูนกับหมอนัทที่ไปนครสวรรค์ค่ะก็ได้ได้ส่งกันกันบ้านกับคุณจูนบอกว่า ติสมถะอยู่นะคะตอนนั้นอันนี้ก็ตอนนั้นได้ฟังตีดีหลวงพ่ออยู่ประมาณสองเดือนตอนนี้ <S 2> 2 <S นะขณะนี้เป็นยังไงตอนนี้จิตใจรู้สึกว่ากุ้งซ่านนะคะเห็นกิเลสล่อยไหมแต่ละวันบางวันเนี่ยก็จะถ้ามากิเลสแบบแรงๆสมมติเป็นโทสะอย่างเงี้ยนะคะโกรธจะรู้คะ่ะแต่ว่าอพอรู้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจะหลังจากรู้แล้วความโกรธหายไปก็จะว่างๆ อ, อยู่ะคะ่ะอย่าไปพอใจในความว่าง ความว่างก็เป็นแค่สภาวะอันหนึง่งเกิดแล้วก็ดับเท่าๆกับสภาวะอย่างอื่นเราไม่ได้พาวนาเความว่างนะเราพาวนาให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนั้นมีความว่างเกิดขึ้นมาก็แค่รู้เดี๋ยวมันก็ดับไปไม่รักษาไว้ในความว่างไม่รักษาจิตค่ะมันชอบไปติดอยู่ะคะ่ะบางทีก็รู้ว่าว่างแต่มติดความว่างก็คือติดสมถะไปติดสมถะอีกแบบหนึ่งไปเพ่งเอารูป อย่าแต่เดิมเพ่งลมหายใจ mm hmm. เพ่งท้องอะไรอย่างนี้นะต่อมาพอไปเพ่งความว่าง mm hmm. ก็ไปติดอรูปเป็นสมถมเหมือนกัน uh huh. เพราะฉะต้องปล่อยนะอย่าไปเพ่งมันแค่รู้สึกปล่อยให้กายทํางานปล่อยให้จิตทํางานแล้วก็ตามดูมันไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดเราก็รู้ว่าหนีไปคิดนะค่ะ uh huh. แล้วที่ปฏิบัติมานี้พอจะได้ไหมคะนี่ไงต้องไปฝึกอย่างนี้นะ uh huh. ฝึกรู้ไปเรื่อยๆ uh huh. อย่าไปเพ่งอย่าไปเพ่งความว่าง นะกำลังจะไปติดในว่างๆแล้วไม่เอาให้รู้ว่าความว่างเกิดแล้วก็เดี๋ยวจะหายไปเองเอออย่าไปคิดนะให้รู้ว่าพอใจในความว่างไม่ใช่รู้ว่าความว่างเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอันนี้คิดเอาให้พอจิตมันว่างแล้วก็มันพอใจในความว่างให้รู้ว่าพอใจพวกเรานะทั้งห้องเลยนะจาหลักไปนะเบื้องต้นนะให้รู้สภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายในใจแล้วก็รู้ไป ถัดจากนั้นเราก็รู้ทันจิตเข้ามาอีกทีหนึ่งนะบางทีจิตก็ยินดีบางทีจิ ต, ก, จตก็ยินร้ายให้รู้ทันลงไปแต่ไม่ต้องจงใจนะไม่ใช่พอเห็นหน้าสมมติเห็นหน้าคุณมาลีแล้วรีบย้อนมาดูนี่ยินดีหรือยินร้ายอันนี้ฟุงสหันไม่ใช่ยินดีไม่ใช่รู้ยินดียินร้ายนะสรุปง่ายๆนะอันแรกรู้สภาวะ น, นั้นที่สองก็รู้ทันจิตที่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดปฏิกิริยาต่อสภาวะขึ้นมานะเห็นผู้หญิงคนนี้สวยนะจิตรกักมีราคาจิตพอใจ เห็นคนนี้ศัตรูกันใจเป็นเกลียดขึ้นมารู้ว่ามันเกลียดนะพอความเกลียดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติเรารู้สึกว่าเกลียดเขาไม่ดีใจมีความไม่ชอบความเกลียดอยากให้ความเกลียดหายไปใจไม่ชอบให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบนี่ฝึกอย่างนี้นะฝึกรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเราจะเห็นทุกอย่างช่วคราวหมดเลยคนต่อไปครับขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะกราบน้บัสการหลวงพ่อค่ะเคยเคยไปที่ ส่วนสันติธรรมนะคะแล้วก็มาที่ปสาราลูจินบ่อยๆแล้วก็หลวงพ่อเคยแนะนําให้ดูจิตนะคะก็ดูความคิดมาตลอดนะคะก็สังเกตว่าเผอทีไรก็คิดทุกพีนะคะแล้วก็คือตอนเช้าเนี่ยนะคะจะสังเกตว่าตื่นมาแล้วมันคิดเยอะมากเลยะคะออ่ะคือคิดเยอะแบบชนิดให้รู้ทันลงไปด้วยใจเราไม่ชอบสังเกตไหมมันคิดเยอะมันคิดเยอะแต่เราไม่ชอบให้รู้ทันลงไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็คือคือมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ตื่นมาแล้วแบบเห็นความคิดมันมาเร็วมากเยอะเตอะติดตันแล้วก็เห็นมันหายวุบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละดูไปนะดูด้วยความเป็นกลางอย่าไปเกลียดมันล่ะแล้วของคุณเวลาคุยกับคนอื่นต้องคุยน้อยๆนะเวลาคุยแล้วจะอินง่ายเออต้องระวังตรงนี้คนต่อไปหลวงพ่อครับวันนี้พอดีพาคุณแม่มาด้วยนะคะแล้วคุณแม่ชอบชอบทําบุญมากๆเลยอะค่ะก็ดีเลยนี่ดีกว่าทำบาป แ ต, แต่ไม่ชอบภาวนานะคะไม่ไมเป็นไร ห, นะหรอกไม่จําเป็นต้องภาวนาทุกคนหรอกนะให้แม่ทําบุญไปแล้วก็ดูบอกเห็นมไหมวันไหนได้ทําบุญแล้วก็สดชื่นวันไหนไม่ได้ทําบุญแล้วหงุดหงิดเนะี่ยให้คุณแม่ไปดูแค่นี้ก็พอลนะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะยุคนี้เป็นยุคลูกสอนพ่อสอนแม่ <c oughs> <c oughs> ดีนี่แหละเป็นวิธีแทนคุณพ่อแม่นะค่นะกรรมนั้นรวสการหลวงพ่อค่ะ คือหลวงพ่อบอกว่าให้คอยดูความไม่พอใจอ่ะค่ะก็ดูว่าบางทีเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นมามันก็จะมีความไม่พอใจแทรกขึ้นมาด้วยอะค่ะอืมแล้วก็พอหลังจากที่เห็นความไม่พอใจก็จะบางครั้งก็จะเห็นมีความมีอัตราตัวตนผล่ขึ้นมาด้วยนั่นแหละภาวนาเก่งขึ้นละราะว่าเมื่อคือนก็เพิ่งภาวานาไม่ได้เรื่องนั่นหละค่ะเมื่อคืนคือเกิดความกลัวเกิดขึ้นแต่แล้วจิตก็บอกว่า ความกลัวก็ให้ดูว่าจิตมันกลัวแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆเราอยากจะหายกลัวคถ้ายังอยากหายกลัวอยู่ก็แสดงว่าจิตไม่เป็นกลางนะยินดียินร้ายอยู่ ใ, ให้รู้ทันลงไปเห็นไหมรู้สภาวะเสร็จแล้วก็รู้ทันจิตนะตามองเห็นรูปแล้วก็รู้ทันจิตหูได้ยินเสียงแล้วก็รู้ทันจิตจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสนะแล้วก็รู้ทันจิตนะเช่นยุงกัดใช่ไหมสัมผัสทางกาย ขันขึ้นมาแล้วโมโหแล้วอยากตบจุงแล้วตัดสินประหารชีวิตข้อหารักทรัพย์ <Okay. S 1> เห็นไหมเกินกว่าเหตุนนะแล้วไงคืออยากจะขอวิหารและธรรมมาค่ะดูจิตไปเลยจิตเราคิดเก่งออกวักแปบบ๊แบๆบแบบนะดูไปเรื่อยๆเราที่ปฏิบัติมาผิดตรงไหนบ้างไหมคะปฏิบัติเนี้ยนะถ้าเมื่อไหร่ไม่ผิดนะจะเกิดอริยมรรตโอเคค่ะ เันไม่ต้องกลัวผิดนะผิดแล้วเรียนรู้ไปเรื่อยๆสังเกตไหมเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งนะเดี๋ยวก็ดีใจเสียใจแล้วไม่รู้ทันอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะอย่าไปกังวลเลยนะค่อยๆเรียนรู้ไปเรียนรู้สิ่งที่ผิดนี่แหละแล้วมันถูกเองเช่นรู้ว่าเผลอไปแล้วรู้ว่าเพ่งแล้วเดี๋ยวมันถูกเองเรียนสิ่งที่ผิดนะแล้วมันจะถูกเองเมื่อไรไม่ผิดมื่นั้นจะถูกถ้าพยายามทําให้ถูกเนะี่ยจะไม่มีวันถูกเลย ไม่ได้พูดเล่นนะ น, นี่เป็นเป็นหลักของการปฏิบัติจริงๆเลยถ้าเราอยากจะดีเราพยายามทําให้ถูกพยายามทําให้มีสตินะี่จะไม่มีเลยแต่ถ้าเมื่อไร่เรารู้ว่าเผลอไปแล้วขาดสติแล้วจะเกิดสติขึ้นเองเมื่อไหรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกนะเมื่อไหร่พยายามทําให้ถูกเมื่อนั้นผิดไม่ได้ว่าเล่นๆนะบางคนนึกว่าหลวงพ่อพูดสำนวนโมหานสนุกสนานเราไม่ใช่หม่าจกมกนะเอ้าวขอบึ่งค่ะ น้ามัสตการหลวงพ่อครับก็เป็นคนหนึ่งที่ภาวนาแบบสเปสปะมาครับแล้วต่อมาก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามในชีวิตประจําวันก็คือดูจิตจกับจิตใจเนไหมว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแปลงไปมากครับ <นะ S 1> เ, รเวล า, <ม>าอารมณ์อะไรมามกระทบร่อแรงเนี่ยมันทําให้เราไม่รู้สึกสะทกสถานะครับอ<ม>ันนี้อยากเรียนถามหลวงพ่ออยู่ว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี้เนี่ยถูกหรือเปล่าครับถูกนะแต่ขณะนี้ไม่ถูก นึกออกใช่ไหมที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนะถูกอยู่แต่ตอนนี้ไม่ถูกเพราะประคองเอาไว้แล้วต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่าให้รู้ทันไม่ต้องแก้จิตขณะนี้มีโมหะนิดหน่อยดวก ม, มีโมหะโทรศัพท์เจออยู่นะให้รู้ทันอย่างนั้นแหละใช้ได้ขอบคุณครับที่ฝึกอยู่ดีแล้วนะจิตเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมเรียนไม่นานหรอกเรียนจริงๆนะไม่นานจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองรู้สึกได้ต่อไป งานมัสการครับอาจารย์ครับผมมาที่สาลาลุงชินคราวที่แล้วประมาณหลวงพ่อฟังไม่ออกเอาดังๆเลยครับอาจารย์ครับไม่ต้องขันนมือเอาอย่างนี้เลยเท่ๆเออผมมาที่สาลรลุงชินประมาณครั้งที่แล้วสิบสามเดือนครับผมมากราบขอคําแนะนําครับอาจารย์ขอคําแนะนําครับ ของคุณนะที่คุณฝึกอยู่นะก็พอใช้ได้แล้วนะอย่าเพ่งเท่านั้นแหละอย่าให้อย่าบีบใจตัวเองลงไปนะรู้สึกตัวไปธรรมดาหยุดก่อนตรงนี้ไม่ถูกอย่าไปดัดแปลงตัวเองรู้สึกไหมพอเราคิดเรื่องการปฏิบัติเราเริ่มดัดแปลงตัวเองไปบังคับใจให้นิ่งให้สงบขึ้นมาให้เรารู้สึกไปตามธรรมดานะอย่าไปบังคับตัวเองอย่าตอนนี้จิตถลําลงไปแล้วรู้สึกไหมดูออกไหมครับนั่นแหละจิตมันถลําลงไปแล้วให้รู้ทันว่าจิตมันไหลไปแล้วนะ เงยหน้าขึ้นยิ้มหวานหวา น, นะนะสังเกตไหมใจเราก็ชอบไปกะชอบมาดูออกไหมตอนที่ยิ้มหวานตะเกียบครับนั่นแหละปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเงี้ยแล้วก็ตามดูมันไปเรื่อยๆไม่ได้ฝึกบังคับให้นิ่งนะครับอย่าไปบังคับให้นิ่งปล่อยให้มันสนไปของคุณโดยตัวเองก็สนอยู่แล้วลนะ่ะปล่อยให้มันสนๆไว้ครับน ะ, ะไปคนต่อไป การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การบังคับตัวเองไม่ใช่การดัดแปลงตัวเองการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเองนะงั้นร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกอย่าน้อมของคุณน้อมลงไปอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าน้ําจิตลงไปอย่างนั้นเดี๋ยวแป๊บเดียวจะซึมเลยนะลืมตาไว้นะภาวนาลืมตาแล้วภาวนากระดุกกระดิกไหมของคุณต้องภาวนาเคลื่อนไหวไว้นะอย่าอยู่นิ่งนะพยายามกระดุกกระดิกไว้ นะขับบ้านไปหางานที่บ้านทําไปแย่งคนที่บ้านกวาดบ้านถู บ, บ้านนะแล้วก็คอยรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆอย่าอยู่นิ่งนะนิ่งแล้วจะซึมลงไปอกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมีโอกาสครั้งแรกค่ะขอคําแนะนำจากหลวงพ่อค่ะแล้วเอาง่ายๆอย่างนี้นะได้ฟังซีดีมาแล้วทำแล้วค่ะเห็นกิเลสไหมเห็นค่ะเห็นบ่อยไหม ดูไม่ค่อยทันนะคะต้องไม่ทันค่ะนะโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธรอบไปก่อนแล้วรู้ว่ารอบหลงไปก่อนรู้ว่าโกรธกับหงุดหงิดกับลูกอะไรอย่างเงี้ยจะจะจะทราบดีดีนะเราฝึกกรรมฐานกับลูกนี่แหละดีค่ะแต่ว่าใจหงุดหงิดแล้วรู้ทันหงุดหงิดแล้วรู้ทันแต่ว่าโยมมีความทุกข์เรื่องลูกดูแล้วมันก็ไม่หายเราไม่ได้ดูให้หายลูกคือเรียนสําเร็จแล้วแล้วก็ไปอะค่ะก็คิดถึงอยู่ตลอดอะค่ะ ทำอะไรไม่ได้นะ <c oughs> ทำใจแต่ละคนมีก<ะ> <คำ S 2> รรมของ <ทำ S 1> วเองว่าทําไม่ได้แต่มันก็ทุกอยู่อย่างนี้ค่ะห้ามไม่ได้จิตจะทุกข์ก็ห้ามไม่ได้นะ <c oughs> ให้เราเรียนรู้ตัวเองไปการที่เราเห็นทุกข์อยู่เนี่ย <c oughs> มันมีโอกาสที่เราจะเห็นธรรมะคนไหนที่มีแต่ความสุขล้วนๆนะใจจะหลงระเริงง่ายการที่เราได้มีความทุกข์ในชีวิตเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มเห็นความจริงของชีวิตแล้วชีวิตนี่เต็มไปด้วยความพลัดพรากรู้สึกไหม <c oughs> ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่สมหวัง ใช่ชีวิตนี้บังคับไม่ได้เนี่ยคือความจริงล้วนๆเลยคนที่เข้าใจความจริงอันนี้ถึงเรียกว่าพระอริยะไงพระอริอรยเข้าใจอะไรเข้าใจอริยสัจเห็นไหมชีวิตนี้เป็นทุกข์นะแต่ว่าคนทั่วๆไปต่างกับพระอริยะตรงไหนพระอริยะเห็นความทุกข์แล้วยอมรับความจริงได้ว่ากายนี้ใจนี้มันต้องทุกข์อย่างนี้แหละ นะมีกายก็ทุกข์เพราะกายมีใจก็ทุกข์เพราะใจมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกมีอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นราริยะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์นะอย่างพระโสดาบันลูกตายหลานตายยังร้องไห้อยู่นางวิสาขาเนี่ยหลานตายเดินร้องไห้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นเรื่องปกติเราไม่ห้ามหรอกแต่ว่าเรารู้ทันมันนะใจเราเศร้าหมองขึ้นมาเรารู้ทันลงไปไม่ต้องฝึกให้มันหายเศร้านะความเศร้านะมันไม่เที่ยงหรอกยังไงมันก็หายนะ แล้วทุกวันที่โยมภาวนาพุทโธอยู่ในถต้งไม่ของยมภาวนาถูกต้องนะค่ะยอมภาวนาพุทโธไม่ได้ฝึกให้จิตนิ่งภาวนาพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นไปอย่างนั้นดีที่สุดที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตมันเริ่มตื่นแล้วเอาคนต่อไปน้มัสการครับพ่อก็ใจลอยไปรู้สึกไหมรู้สึกครับทําใจให้มันคึกคักหน่อยอย่าซึมซึมอย่างนี้ครับชูมือหน่อย เออว่าไงก็ได้เดิมปฏิบัติสมถาถะมาหลายปีเลยอ่ะอแล้วก็มันได้ฟังซีดีของพ่อก็สังเกตไปใจมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาเนะหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่าใช่ไหมกรรมาฐานที่ทํามาเกลนั้นมันสมถะจริงๆริงงอย่างเฮงร<า>ูปเดียวเลยนะแล้วก็เครียดไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอย่างตอนนี้คุณเริ่มเห็นแล้วลว่าทุกอย่างมันไหลไปไหลามา เริ่มเห็นแนละดีที่ภาวนาอยู่ครับแล้วรู้สึกว่ากายกับใจมันจะมีช่องว่างเลยใช่มันมีช่องว่างนะกายอยู่ส่วนกายนะจิตอยู่ส่วนจิตมีช่องว่างแล้วเห็นไหมเวทนากับกายก็มีช่องว่างเวทนากับจิตก็มีช่องว่างนะกุศลอกุศลกับจิตก็มีช่องว่างจิตเองก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงรู้สึกไหมก็ดูอย่างนี้เรื่อยไปนะครับหลวงพอ่อ วันพรุ่งนี้ครับจะได้มีโอกาสไปปวทสามเณรพระดูลอนะครับก็ไปเจรมีอะไรที่ไปเจริญสติเอาครับอย่างเขาพานั่งสมาธิเราก็หัดนั่งไปด้วยความมีสตินะเขาให้เดินจงกรมเราก็เดินด้วยความมีสตินะเขาสอบอารมณ์ไหมก็มีบ้างนั่นแหะน่ากลัวที่สุดเลยพอสอบอารมณ์นั้นก็พยายามจะบังคับทุกคนให้เหมือนเหมือนกันมันผิดตรงนี้แหละแต่ละคนทางใครทางมันนะ เราไป บ, บังคับทุกคนให้ปฏิบัติเหมือนกันหมดมันไม่ถูกหรอกมันทําไม่ได้ลูกดูจิตดูจิตอยู่นี่ถูกต้องเลยถูก<ช>ต้องแล้วขอบคุณมันเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตแล้วสติมันาตโนมัติขึ้นมาแล้วรู้ไปเรื่อยๆเขาสอนอะไรเราก็ทําเป็นฟังฟังไปอีไปเถียงเขานะเสียเวลาแล้วเราก็ดูใจของเราไปอุย้ยสอนอย่างนี้ไม่ถูกหรอกเนี่ยเราจะรู้ต่อไปนี้จะรู้แล้วว่าใครสอนถูกหรือใครสอนผิดเมื่อจิตมันตื่นขึ้ น, นมาแล้วฟังปุ๊บก็รู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่หรอก แต่ก็อย่าไปเถียงเข้าเลยเดี๋ยวเขาโมโหเราก็ดูของเราไปกับน้องสการครับครับผมถ้าตอไปขอส่งการบ้านก่อนค่ะะส่งในใจเหรอ <c oughs> ยังบังคับนะอยู่บังคับมันรู้เล่นๆปล่อยได้ไหมขนานี้บังคับอยู่ด่วนเปล่าแข็ง เออคื อ, ค, อ, ค, อคือเห็นอะไรไหวๆอยู่อ๋อเว้ยเวลาเห็นเนี่ยต้องเห็นสบายๆนี่เห็นแบบแข็งเกินไปใจแข็งอยู่รู้สึกไหมเห็นแบบตูร้ายเนี่ย <c oughs> ดูสบายๆนะ <c oughs> ของคุณมันติดเพ่งอยู่นิดนึงเห็ <c oughs> นไหมตัวนั้นไหวๆแต่มีตัวนึงนิ่งๆอยู่เนี่ย <c oughs> ตรงที่มีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวไหวๆตัวที่มีปัญหาของคุณคือมันมีไอ้ตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> ตัวนี้เรายัางเพ่งอยู่ เวลานั่งสมาธิค่ะหลวงพ่อเวลาจิตรวมอะค่ะใช่ไหมคะจิตรวมก็อันหนึ่งเห็นในตัวไหวๆเห็นตัวคิดคิดขึ้นมาเนี่ยมื่อคิดก้มมันไปใช่ใช่บางครั้งก็รู้ทันนะคะก็รู้ทันแต่ตัวเราจากสมาธิแล้วเนี่ยไม่รักษาตัวเนี้ยวไว้ไม่รักษาตัวรู้นิ่งๆนี่ไว้วยังรักษาอยู่อ๋อต้องวางตัวนี้เลยเหรอคะวางไปเลยไม่งั้นนะจะเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ยกเว้นจิตจิตเที่ยง จิตเป็นอัตตาบังคับได้รู้สึกไหมเราบังคับมันได้ อ, อยู่ได้นานเลยค่ะคือเวลาจิตมันรวมแล้วรู้สึกว่ามันสบายเออสบายก็ไม่เป็นไรพอจิตใจไปชอบความสบายรู้ว่าชอบไปเลยนะนี่ราคะเกิดขึ้นแล้วพอบางครั้งมันไม่รวมนะคะแต่เห็นไหวๆ ไ, ไม่รวมอ่ะเห็นไหวๆทําไมไม่รวมเพราะเห็นไหวๆนั้นจิตมันเดินตัญญาอยู่อน ล, ละเรื่องกันคื อ, ค, อคือไปมาแล้วพอพ อ, พอไม่รวมเนี่ยเราก็อยากให้มันรวมมันก็ไม่รวมเลย ให้รู้ว่ามีโลภะนะแล้วโทสะก็เกิดแทรกเข้ามาด้วยมันไม่รวมอย่างใจ<า>นะไปดูกิเลสเห็นไหมภาวนาแล้วกิเลสแทรกเยอะแยะไปหมดวันไหนรวมไม่พอใจมากเลยนะราคาแทรกวันไหนไม่รวมโทสะแทรกนะให้ดูตัวนี้นะให้รู้ทันกิเลส<า>ที่มันย้อมจิตนี่นะไม่ได้ภาวนาเพื่อจะให้รวมนะภาวนารวมนี่เรียกว่ามักน้อยเกินไปอ๋อแล้วเมื่อคืนนาะคะ่ะหลวงพ่อนั่งสมาธิแล้วใช่ไหมคะ่ะ มันก็คือมันเหนื่อยมากมันไม่รวมเลย ม, ม, มันเห็นแต่เห็นแต่ความคิดวุ่นไม่หมดเลยอพอพอได้นอนนะคะแบบพอจะได้นอนเนี่ยเที่ยงคืนกว่าพอได้หลับเอนตัวนอนสบายพอสบายเสร็จเห็นเห็นสว่างข้างในเลยทำไมต้องสบายก่อนแล้วถึงรวมเข้ามาสว่างขึ้นมาพระหลวงพ่อ พ, พูดอยู่ทุกวันเลยความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินึกออกไหมพอมีความสุข ข, ขึ้นมานะจิต่็รวมง่ายๆเลยอย่าเอาแต่สมาธินะ มากน้อยเกินไปต้องให้มีปัญญานะไหนๆเจอพระพุทธเจ้าแล้วเจริญปัญญาไม่ได้เรียกว่าเสียโอกาสนะเอาไว้ชาติไหนไม่มีศาสนาพุทธนั่นะนะไปฝึกสมาธิให้มากๆลงพ่อคะคือพอ พ, อ, พอเห็นจิตดวงเป็นสว่างก็ น, นึกถึงว่าเคยอ่านเว็บไซต์นะคะที่เขียนโดยอุบาสกนี้รับนามอะคะ่ะคือค อ, ออ่านแล้วจำได้ว่าท่านบอกว่าท่านเห็นรวง กำลังคุยกับน้องชาอยู่เรแล้วเห็นดวงสว่างไม่ม<า>ใช่ดวงสว่างนะจิตมันแหวกออกมาเลยลควา ม, มสว่างเกิดขึ้นไม่เป็นดวงนะถ้ายังมีจุดมีดวงมีตอมมีที่ตั้งอยู่เป็นสมถะเป็นนิมิตไม่ใช่ของจริงดังนั้นที่คุณฝึกอยู่ไม่ใช่มรรคผลนะเป็นสมถะนะยังติดสมถะหน่อยๆด้วยยังไม่เกิดอริยามรรคน ะ, ะไปคนต่อไป อย่ารีบเกิดมักนะตอนเนี้เรามักน้อยเกินไปเราจะเอาแต่จิตรวมเอาเันทําไมจิตรวมมันรวมแล้วมันก็ไม่รวมมันไม่เที่ยงเราต้องเอาของที่เหนือวันนั้นอีกเห็นไหมจิตรวมก็ไม่เที่ยงจิตฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่เที่ยงดูไปอย่างนี้สิถึงจะได้ของจริงอ่ า, ากล่าวณกลาวณมัสการครับหลวงพ่อคือตอนนี้ก็พยายามฝึกรู้สึกตัวนะครับแต่เออาก็พยายามจะดูเกี่ยวกับเรื่องว่า รู้ว่าจิตไปคิดแต่พอเวลาดูเราก็ไม่แน่ใจว่าบางทีเราคิดว่าจิตไปคิดหรือว่านั่นแหละก็รู้ลงปัจจุบันไปว่าจิตกําลังสงสัยอยู่นะหรือลงปัจจุบันเลยการภาวนาเนี่ยมีแต่เรื่องมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนะมีเท่านี้เองอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อก็สอนมาแบบนี้บ ก, การปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปนะัเพราะงั้นเวลาเราภาวนาไปแล้วเราเกิดงงขึ้นมา เออันนี้รู้หรือว่าคิดนะรู้ว่ากำลังงงอยู่นั่นแหละปฏิบัติเสร็จแล้วครับแล้วอย่างตอนที่เวลารู้สึกตัวเนี่ยครับเราจะไม่รู้ว่ากายเราอยู่ในท่าไหนหรือว่าเรากาลังหายใจอยู่หรือเปล่าอย่างนี้นี่คือถูกต้องหรือเปล่าครับรู้สึกตัวเนี่ยมีหลายแบบนะรู้สึกอยู่เฉยๆยเนี่ยไม่ดีถ้ารู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจแต่เวลารู้สึกกายก็ไม่รู้สึกใจเวลารู้สึกใจก็จะไม่รู้สึกกายเพราะจิตรู้ได้อันเดียว เพราะในขณะนั้นถ้าคุณเห็นจิตอยู่คุณจะไม่เห็นกายเห็นเรื่องปกติเช่นเห็นจิตกำลังคิดไปคิดมาอยู่เนี่ยจะไม่สนใจกายอยากให้หลวงพ่อนําดูสภาวะธรรมนิดหน่อยตอนนี้ประคองไว้นิดหนึ่งดูออกไหมประคองให้นิ่งนิดนึงนะมัวนิดนึ่งดูออกไหมมีโมหะแทรกอยู่นะพระใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยหัดดูไปอย่างนั้นดูเป็นล้ดูไปด้วยอ้าวคนต่อไปใกล้ช็อกแล้วอ้าวคนนี้ หายใจไว้หายใจแรงๆเออนะเอา้านั ก, การครับพระอาจารย์ตอนนี้ตื่นเต้นฮะใช่ปกติมันธรรมดา<จ>ปกติมันต้องตื่นเต้นจงใจมัม้ตอนนี้จงใจปฏิบัติอยู่ครับเออทราถูกอา่าที่ผ่านมาปฏิบตัติตอนนี้ตื่นเต้นครับเออตื่นเต้นเป็นยังไงบ้าง ที่ภาวนามาก็พอใช้ได้นะแต่ลดการจงใจลดการเพ่งลงนิดนึง่งนะเพ่งแรงไปนิดนึง่ง ร, รู้สึกให้สบายกว่านี้อีกนะและร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเรื่อยๆมันจะเห็นจิตเองตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมตอนนี้นะทราบนะครับนะเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมไม่ไม่รู้ครับเมื่อกี้ขยับปากรู้สึกไหมรู้ครับนะ ตอนนี้เริ่มเพ่งให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมเกร็งครับนั่นแหละเกร็งเลิกเกรงซะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติรู้ไปตามธรรมชาติรู้สบายๆใจแอบไปคิดแล้วก็ใจอยากพูดรู้สึกไหมตอนนี้รู้แล้วครับออรู้ตามหลังรู้สึกไหมมันอยากคิดมันคิดไปก่อนมันอยากพูดไปก่อนแล้วเราก็รู้ว่ามันคิดไปรู้ว่ามันอยากพูดการดูจิตเนี่ยจะดูตามหลังตลอดเวลาจำไว้นะดูถูก วิหารธรรของผมคืออะไรกับอาจารย์ของคุณรู้สึกกายบ่อยๆนะไปคนต่อไปถ้ารู้กายแล้วมันจะมารู้จิตชัดกราบน้ำมัสการค่ะเห็นนางมาไราในตัวเองทุกวันเลยค่ะอะไรนะเห็นนางมาไรอะค่ะในตัวออเองดีดออีไม่ทราบว่าจะต้องเสริมหรือพัฒนาตรงจุดไหนบ้างคะดูนางมาไราไป <c oughs> เห็นไหมนางมาไยไม่ใช่เราหรอก ค่ะมันร้ายของมันเองค่ะนี่ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วจะต้องมีอะไรเป็นวิหารธรรมสาหรับโยมคะดูใจนนไปจ้าเห็นใจแกลงไปแกลงมาเห็นอยู่แล้วก็ดูไปค่ะ แ, แล้วตอนนี้รู้สึกเบื่อค่ะอืมไม่ใช่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเบื่อเบื่ออยากอยา ก, ยากรือว่าเบื่อแบบมีปัญญานะคะเบื่อแบบเดี๋ยวหลวงพ่อเข้าใจนะหลวงพ่อกำลังสอบประวัติอยู่เ <c oughs> <c oughs> บื่อเนี้ยยังเจือด้วยโทสะอยู่ ใช่ค่ะใช่ไม่ใช่เบื่อด้วยปัญญาค่ะนะไปดูอีกนะให้ดูอีกค่ะอ่ะไปต่อไปกราบนมัสการเจ้าค่ะเอ่อทีฉันปฏิบัติมาไม่ทราบว่าถูกทางหรือเปล่าคะดีแต่ว่าเราเราไม่บังคับมันนะเจ้าค่ะค่อยๆปล่อยใจของโยมมันค่อยสว่างขึ้นมารู้สึกไหมรู้สึกมันเปลี่ยนไปจากตะก่อนนี้แล้ว ร, รู้สึกไหมเจ้าค่ะดูเล่นๆไปเรื่อยๆ เห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยยมอย่าทิ้งร่างกายนะคอยรู้ร่างกายบ่อยๆถ้าดูแต่จิตล้วนๆเดี๋ยวมันจะเบลอเล่ง่ายพยายามรู้สึกร่างกายเรื่อยๆเนี่ยใจใจใจหลงไปคิดแล้วทราบไหมทราบค่ะอย่าให้มันไหลไปถ้ามันไหลไปแล้วเรารู้ไหลป๊บปุ๊บไปเรารู้ทันว่าไหลไปแล้วให้รู้ทันเนี่ยใจไหลไปแล้วรู้สึกไหมรู้สึก ให้คอยรู้ทันอย่างนี้นะ <Okay. S 2> แล้วก็ดูกายช่วยด้วยเดินจงกรมบ้างนะ <Okay. S 2> ถ้าเดินแล้วเจ็บเข่า้วก็นั่งก็ขยับไม้ขยับมืออะไรอย่างนี้ไปเอาร่างกายมาช่วยนิดนึงกราบดําเสกการของพ่อค่ะหนูอยากถามหลวงพ่อว่านูเหมาะดูกายหรือดูจิตอะค่ะดูอะไรได้ก็ดูไปนะดูได้ทั้งสองอย่างขอบคุณค่ะเพราะบางทีหนูสงสัยบางครั้งก็ไปดูกายบางครั้งก็ดูจิตก็เลยไม่รู้ว่าอะไรก็ได้นะ S <S <S ใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ <S <S <S <S ะค่ผจิริตเราผสมผสานทักทายหลวงพ่อนะคะถ้าถามซ้ำขอโทษด้วยนะคะเพิ่งมาครั้งแรกฟังซีดีหลวงพ่อไปสองครั้งนะคะแล้วก็ไปลองปฏิบัติ ด, ดอูอ่ปรากฏว่ามีความรู้สึกสนุกกับการดูจิตนะคะ ม, มันผิดไหมคะอะไรนะผิดไหมคะหลวงพ่อไม่ผิดอะคือมันคล้ายๆอย่างเวลาดูจุดบอล น, นี้นะคะก็จะมีคนพากว่าโอเคบอลอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วอย่างนี้ค่ะจิตจะเป็นแบบว่า จะคอยภาคคอยบอกว่าโอ๊ยตอนนี้ไปหยุดออกมาซอยห้าเฮาอยู่ไปหยุดใหม่ใหม่มันก็ชอบภาคนะต่อไปพอสติมันเร็วขึ้นแล้วมันภาคไม่ทันก็เลิกเองอ่ะมันภาคไม่ทันใช่มันมีค่ะบางครั้งมันไปสองเด้งตึ้งตึ้งแล้วพาคไม่ทันแต่ว่าพอภาคทันก็กลับมาภาคเหมือนเดิมห้าไม่ได้จิตมันจะพาคจิตมันเคยชินที่จะภาคต่อไปมันก็ไม่พูดอะไรมันรู้อย่างเดียวไม่พูดรู้เงียบเงียบเจ้าคุณนอสอนดีนะบบกของจริงนิ่งเป็นใบอะ ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงตอนนี้ยังพูดอยู่ในขณะที่พูดนั้นไม่จริงในขณะที่รู้น่ะจริงแต่ตอนนี้พอรู้ปั๊บเราพูดต่อใช่ไหมห้ามไม่ได้แต่ต่อไปมันไม่ไม่พูดแล้วรู้เฉยเฉยไม่พูดเลยเรารู้สึกเหมือนกับว่าจิตจะไม่อยากให้เจ อ, เอคะ่ะไม่ไม่ไม่ให้เจอเขาคือแบบจะเหมือนกับได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะปืดไปเลยเอคะค่ะนั่นแหละดีแล้วจิตมันวิ่งไปตามสิ่งเรา ถูกแล้วไปดูอยังนั่นแหละบางครั้งก็คือเขาไม่เป็สนุกที่จะคุยแล้วนะรู้ทันตัวเองไปนะคบางครั้งมันก็ว่างเลยค่ะหลวงพ่อว่างว่างก็ชั่วคราวไม่เป็นไรถ้าสามวันสามคืนแล้วยังว่างอยู่ก็ติดว่างใช้ไม่ได้ขอบคุณนะครกราบนมัสการหลวงพ่อครับเอครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสมานะครับครั้งแรกก็ใช้ได้แล้วครับผม เออผมจะถามเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดผู้ที่ไปรู้จิตหรือรู้อ่ไม่ใช่รู้จิตครับรู้อดีตของผู้อื่นในในเราไม่พูดนะครับผมรู้แล้วเราก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อันนั้นจะเป็นตัวขวางของทางธรรมขวางอย่างรแรงเลยนะประเดี๋ยวเดีย ว, ยวใครๆก็จะแห่มาถามเราเสียเวลาชาตินี้ไม่ได้ภาวนาลนะครั บ, บเพราะฉะนั้นเรารทําไม่รู้ไม่ชี้นะครับผมขอบคุณครับให้เรารู้กิเลสของเราดีที่สุด ของคุณคของเก่าก็ทำมาดีแล้วนะดูสิว่ออา จ, จะไม่บอกงั้นจเจริญสติไปนะฉีดมันมีสติแล้วฝึกไปเรื่อยๆขอบคุณครับกราบในรัชการหลวงพ่อนะคะคือดิฉันนะคะเป็นคนติดช่างพูดอะค่ะก็จมีความมีความรู้สึกว่าอินมากเวลาพูดก็พยายามดูตามแต่ว่ารู้ทุกครั้งค่ะว่า เพิอพูดเยอะแล้วเผิอพูดไปแต่บางครั้งมันห้ามไม่ได้อะค่ะเหมืนอนเวลามันอยากพูดแล้วมันห้ามไม่ได้ล้นะเพราะฉะนั้นเราพยายามคลุกคลีให้น้อยๆพระเจ้าถึงสอนเบื้องต้นบอกไม่ให้คลุกคลีถ้ายุ่งกับคนอื่นมากก็ต้องพูดเยอะใช่ไหมพอพูดเยอะแล้วเราหลงนานเนี่ยเราก็พยายามห่างๆคนอื่นได้หน่อ ย, อยค่ะนะแล้วก็โดยปกติกิจกรรมทเราทำประจําวันก็จะมีการออกกำลังกายนะคะ<ม>อยากจะทราบว่าจะดูกายดูใจยังไงคะเวลาเราเล่นกีฬานะคะต้องเล่นอะไรล่ะ ก็มีหมดนะคะทั้งแบดมินตันทั้งเต้นแอโรบิกะคะมันก็เล่นยากนิดหนึ่งนะทํา <c oughs> เพราะว่ามันรวดเร็วมากเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปอย่างนี้นใช้ได้นะใจเราเป็นแค่คนดูนะใจเหมือนคนที่มาดูเราเล่นกีฬาแล้ว เ, เห็นร่างกายเราเนี่ยวิ่งไปวิ่งมานะทำใจเป็นคนดูนะเราร่างกายให้มันเล่นกีฬาไป ค่ะยังบางครั้งเวลาเราเล่นดีเราก็รู้สึกดีใจอย่างนั้นรู้สึกถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องนะดีใจให้รู้ว่าดีใจวันนี้เล่นไม่ดีโมโหรู้ว่าโมโหเนี่อรู้ทันตัวเองอย่างเนี้ยแล้วพอเลิกเล่นกีฬานะไปทําอะไรก็ตามก็คอยรู้ทันใจของเราไว้จะกินข้าวจะอาบน้ําจะทําอะไรแต่งตัวอะไรนี้นะคอยรู้ใจเรื่อยๆนะแล้วอย่าไปแบบของใจให้นิ่งยังบังคับตัวเองแรงไปนิดนึงค่ะยังติดเพ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะ ต้องถามก่อนไงว่าค น, คนเล่นกีฬาทั้งวันทาเล่นอะไรเล่นไพ่ท <laughs> าไพ้เป็นกีฬาเหรอเป็นในมหาวิทยาลัยยังมีชมรมบริดเลยเห็นอ่ากับน้ำสการหลวงพ่อคะ่ะหนูตามรู้ตามดูกายใจทำงานนะคะมาประมาณหนึ่งปีก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายใจตามลำดับตา ม, มที่ซีดีหลวงพ่อเทศวัวคะ่ะอันนี้หนูมีมมเทศผิดไหม ก็ไม่นะคะส่วนใหญ่จะเห็นพ้องต้องกันกับที่หลวงพ่อเทศนะคะอ๋อแล้วไงหนูมีความสงสยะะัยค่ะขณะที่ฟังใช่ไหมคะหนูก็เห็นว่าเขาติตอะคะ่ะเขาทํางานคือคือเขามีภาพตามที่หลวงพ่อเทศแล้วก็<อ>มีสภาวะจิตที่เราเกิดคือเทียบเคียงสอบคลองทําความเข้าใจไปนะคะอันนี้มีประโยคนึงที่หลวงพ่อเทศไว้ในซีดีนะคะว่า ใจเขามีความเป็นกลางสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าดูจนสภาวะคำ ท, ที่ปรากฏนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรใจหนูก็เลยไปย้อนภาพของความทรงจําที่เหมือนกับมันเทียบเคียงเป็นความเข้าใจว่าว่าเหมือนสภาวะนั้นนะคะใกล้เคียงกับคําที่หลวงพ่อเทศนะคะหนูก็เลยสงสัยว่าสภาวะนั้นน่ะคะ่ะทำงานตรงกับ มันเป็นอย่างที่ดกข้อเทศแน่นอนนะแต่ว่าการที่เราย้อนไปเนี่ยจิตเราฟุ้งซ่านไปอดีตละวไม่เอาคนะพยายามรู้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องย้อนไปคนอดีตหรอกค่ะทีนี้หนูก็เลยอยากถามว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยค่ะหลวงพ่ออยากที่เพิ่มเติมไหมคะใช้ได้นะปฏิบัติได้ดีแต่ขนาดนี้ตื่นเต้นแล้วประคองเอาไว้ใช่ไหมกลัวกลัวมันจะคิดพูดไม่ถูกอะค่ะอแล้วใจสังเกตไหมมันดีใจใช่ไหมมันดีใจปึบขึ้นมาเราก็เห็น หัดดูไปนะแต่ต้องดูสบายๆโดยไม่ปลับคองไว้ที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้แล้วขอบคุณค่ะฝึกมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณหนึ่งปีค่ะเออเก่งแล้วกับนักสการ์หลวงพ่อครับเคยมาหาหลวงพอ่พอหลวงพ่อบอกว่าเป็นยาลำหน้านะครับไปดูมาแล้วเห็นแล้วมันเป็นสัญญานะครับไ อ, อจิตที่รู้จริงๆมันก็มีนะครับมันเกิดดับไปแล้วเออนั่นแหละแล้วก็รู้สึกไหมจิตเราเปลี่ยนไป นั่นแหละเองนี่ถึงจะเรียกภาวนาเป็นนะแต่ก่อนไม่ใช่หรอกแต่ก่อนมันฟุ้งซ่านเฉยเฉยมันมันจิตจริงๆคือมันหาที่พึ่งอะครับอะไรนะมันหาที่พึ่งเอมันไปพึ่งสติพึ่งปัญญาพึ่งความรู้พึ่งกระทั่งวัตถุข้างนอกอะครับอนี่พอมันรู้เสร็จตอนมันตอนหลังมันทิ้งหมดตอนหลังมันมันมาจับเอาดูแต่ความดับอย่างเดียวอะครับจับอะไรนะดูความดับอะครับดูอะไรนะดูความดับอะครับเห็นแล้วมันก็ดับดับดก็ดูเฉยเฉยไม่เป็นไร แต่อย่าจงใจนะถ้ามันเห็นเองไม่เป็นไรถ้าจงใจจะเห็นไม่ดีมันก็เป็นมั่งอะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นของมันเองอะครับบางทีมันก็เห็นของมันเองบางกีแล้วก็ถ้าไปดูเออถ้าจงใจก็รู้ว่าจงใจครับนะความจงใจไม่ดีเพราะว่ามันมันมันบางทีมันคาไม่ได้อะครับเพราะว่าพอมันเห็นแล้วมันก็อยากไปจิตใจเรามันต้องการที่พึ่งนะใช่มันวิ่งหาที่พึ่งเราไม่มีที่พึ่งนึกออกหรือยังนึกออกเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ถึงไตรสารณคม เราไม่ได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราเที่ยวเอาอนนทเป็นที่พึ่งอันนี้เป็นที่พึ่ง เ, <ช>เราไปเอาสติมาเป็นที่พึ่งเห็นไหมเราไม่ได้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทําไมไม่ได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะตอนนี้ยังไม่มีปุถุชนไม่มีนะงนั้นตอนนี้ก็อาศัยมีสติไปอย่างนี้แหละนนรเรียนรู้ไปวันหนึ่งจิตมันเกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปหมดเลยนะคราวนี้เราจะได้ที่พึ่งที่แท้จริง ก็ถือโอกาสนี้ขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยที่เออนะเออเขามาอ่าอ่าเรียกอะไรนะอาโหสิเออบางทีก็นึกศั์ไม่ออกขอบพระคุณครับอ่คนต่อไปใครอยากขอเข้ามานะให้หมดเลยนะไม่ต้องขอทีละคนคราบนมัสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยบอกว่าผมติดประคองนะครับผมอยากกราบขอคําแนะนําคําสั่งสอนหลวงพ่อมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันไม่ประคองอย่างแต่ก่อนครับ นะเพราะอะไรเพราะเราไปรู้ทันแล้วว่าประคองแต่เดิมเราคิดว่าประคองไว้แล้วดีนักปฏิบัติต้องประคองตอนนี้โดนหลวงพ่อว่าประคองไม่ดีแล้วเราก็รู้ทันว่าประคองใจมันคลายออกเองสังเกตไหมมันอยู่ห่างๆออกมาครับนะถ้าเราประคองไว้นี่มันต้องจับเอาไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ประคองนะสักว่ารู้สักว่าเห็นนจะห่างออกมากายก็อยู่ห่างๆจิตก็อยู่ห่างๆอะไรๆก็อยู่ห่างๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียนะดูแล้วไม่อิน พอน่าใช้ได้แล้วอยากขอคอแนะนําเรื่องวิหารธรรมด้วยครับเรื่องอะไรนะวิหารธรรมครับยมยมดูจิตได้ดูไปเลยะดูจิตนะครับดูจิตไปเลยแต่ไม่ทิ้งกายนะคือที่หลวงพ่อบอกไม่ให้ทิ้งกายเนี่ยคือคนโดยธรรมชาตินะอายุห้าสิบขึ้นเนี่ยสมองมันเริ่มเสื่อมจะไปดูจิตอย่างเดียวบางทีเบลอเบลอไปเอากายมาช่วยพยายามรู้สึกร่างกายไว้รับผมขยับนิ้วอย่างที่หลวงพ่อเคยเทศอยู่บ่อยๆได้ไหมครับ ขยับแบบนักขยับเล่นนะแต่ถ้าขยับเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่าอย่าทําซ้ำซากนานอย่หางานหาอะไรทําดีกว่าคขอบพระคุณหลวงพ่อครับดีใจด้วยนะใจมันคลายออกมาได้เยอะแล้วรู้สึกไหมใจมันถ่างออกมาแล้วครับกรับนมัสยการพระอาจารย์นะครับผมก็หัดรู้หัดดูมาประมาณสักสองสามเดือนนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ย ส3าอาทิตย์นะครับมันติดมันหลงไปคิดนานนะครับเราต้องมีวิหารธรรมมีวินัยในตัวเองด้วยน ะ, ะทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์ทสมาธิเดินจงกรมอนะไรนั้วทำสม่ำเสมอมันจะทำให้เรามีแรงไม่หลงนานนะมีเครื่องอยู่อยากขอการบ้านอาจารย์นะครับไปกระตุกกระดิกแล้แล้วรู้สึกตัวของคุณตอนนี้จะไปดูจิตแล้วรู้สึกเนี่ยมันจะไปเพ่งเดี๋ยวจิตจะนิ่งนิ่งไปเฉย พยายามรู้สึกร่างกายบ่อยๆน ะ, ะครับพอณพิ่มหมดยังหมดแล้วเหรอจะได้เทศต่อ <c oughs> หลวงพ่อมีคนฝากคําถามมาครับเขาฝากถามว่าถ้าเจริญสมถะจนจิตมันว่างแล้วก็นิ่งแล้วเนี่ยจะยกขึ้นเป็นวิปัสสนาได้อย่างไรครับก็ดูไปถนะ้าตอนนั้นไม่ต้องทําวิปัสสนาแล้วภาวนาจิตรวมลงไปนิ่งว่างสว่างสบาย พอจิตมันถอยออกจากสมาธิเนี่ยจิตเริ่มไม่นิ่งเริ่มไม่ว่างเริ่มไม่สว่างจิตเริ่มแกว่งไปแกว่งมามีสติรู้ทันตอนที่มันเริ่มถอนออกมาตอนที่จิตเริ่มถอนออกจากสมาธิเนี่ยเป็นนาทีทองของนักปฏิบัติที่ทําสมาธิเลยนี่ส่วนมากพอจิตถอนออกจากสมาธิแล้วเลิกปฏิบัติไปเลยพวกนี้อาภผับที่สุดเลยเสียโอกาสดังนั้นเวลาทําสมาธิพอจิตเคลื่อนออกจากสมาธิแล้วมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตแล้วมีสติรู้ทันไปเรื่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นก็ใช้ได้ล้ การภาวนาไม่ยากเห็นไหมประโยคนี้ต้องพูดทุกวันการภาวนาไม่ยากความจริงอยากจะบอกว่ามันง่ายนะต่อไปหลวงพ่อจะเปลี่ยนชื่อเป็นหลวงพ่อง่ายแต่ห้ามเรียกเป็นหลวงพ่อเงาเนะการภาวนาง่ายจริงๆเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้บังคับตัวเองนะเราเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นเองเช่นจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านมันง่ายนะแค่รู้ว่าฟุ้งซ่านถ้าเราทําสมถะมันยากจิตฟุ้งซ่านจะต้องทำให้สงบไม่ใช่ง่ายนะ สมถานะมีงานต้องทำเยอะแยะเลยแต่วิปัสนาไม่มีงานอะไรต้องทำมีแค่การรู้เท่านั้นแต่ไม่ใช่แปลว่าไม่ทำอะไรเลยเรายังเหลือการรู้อยู่อย่างหนึ่งที่หลวงพ่อบอกไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรหมายความว่าไม่ต้องทำอะไรเกินจากรู้นะงน้พยายามรู้สึกกายพยายามรู้สึกใจพวกเรารู้ไปด้วยนะคุณภาพการรู้ของพวกเราดีขึ้นดีขึ้นจิตใจพวกเราสว่างสวัยขึ้นรู้สึกไหมแต่ละคน จิตใจเราเปลี่ยนนะโดยภาพรวมทั้งทั้งห้องนะโดยภาพรวมเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยจิตใจเปลี่ยนแล้วกรนะทั้งคนที่อยู่ข้างหลังนั้นเราภาวนานเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยพยายามรู้สึกตัวอย่าใจลอยไปอย่าเอาแต่หลงไปทั้งวันทั้งวันเสียเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งแป๊บเดียวก็ปีหนึ่งแป๊บเดียวชาติหนึ่งไปแล้วพนะยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆในขณะเดียวกันไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งนะ เผลอแล้วให้รัวเผลอเพ่งอยู่เลิกมันไปเลยส่วนใหญ่เพ่งอยู่แล้วไปรู้ว่าเพ่งก็ไม่เลิกเพ่งหรอกเพราะฉะนั้นลืมมันไปถ้าลืมการปฏิบัติถ้าคนไหนติดเพ่งลืมการปฏิบัติไปนะออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่กระทบอารมณ์ไปจิตมันจะแปงขึ้นแปรลงแล้วคอยมีสติตามรู้ไปจะง่ายกว่าการหาทางแก้เวลาติดสมสถะแล้วนิ่งอยู่ข้างในแก้ยากอพอไหมหลวงนพะ่อขอโอกาสให้แม่ชีอีกท่านได้ไหมครับ อ้าวเชิญแม่ชีอย่าไปประคองสิรู้สบายสบายกราบในมรสการพระคุณเจ้าค่ะจริงๆนักธรรมชาติของจิตเนี่ยสนมากๆแล้วก็ด้วยภาวะด้วยเพศเนี่ยก็เลยต้องเหมือนกับประคองก็เลยจะกราบถามพระคุณเจ้าว่าสิ่งที่กำลังประคองหรือว่าที่กำลังปฏิบัติอยู่นะเจ้าค่ะแอบไปสร้างภพไว้หรือเปล่านั่นแหละภพแหนะ จิตตอนนี้เราอยู่ในภพอันหนึ่งรู้สึกไหมเป็นภพที่นิ่งนิ่งดีดีนะ ค, คำว่าสํารวมนะสํารวมไม่ใช่แปลว่า อ, อย่างนี้ไม่ใช่สํารวมนะสํารวมหมายถึงอะไรสํารวมหมายถึงว่าเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตก็มีสติรู้ทัน เมื่อใจเราคิดนึกปรุงแต่งความยินดียินร้ายเกิดที่จิตก็มีสติรู้ทันอันนี้เรียกว่าสำรวมนะเรียกสำรวมสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ไม่ได้แปลว่าไม่ดูไม่ฟังไม่คิดนั่นเราอย่าไปประคับประคองถ้าประคองก็คือพบอันนึง่งพบอันนี้เกิดจากสัณหาตัวไหนอยากดีอยากดีอยากปฏิบัติเห็นไหมมีความอยากเกิดขึ้นจิตก็สร้างพบเพราะตัณหาเป็นผู้สร้างพบ แม่ชีไม่ต้องกังวลใจมากนะใช้ชีวิตธรรมดาตือศีลไปไม่บังคับตัวเองไม่ข่มตัวเองเอาสบายๆเหมือนแม่ชีที่นั่งข้างหลังนั่นน่ะที่นั่งข้างหลังกันนะรู้สึกไปเอาเลยไม่รู้สึกแล้วใจวิ่งไปอยู่ที่เราแนละ้ว <laughs> อยาามรู้สึกตัวสบายๆอย่าไปเพ่งไว้นะเอาเลยเพ่งใหญ่เลยเวีกนกา <laughs> <laughs> ดูไปเล่น ตัณหาเกิดเมื่อไหร่นะก็รสร้างพบเมื่อนั้นก็เท่านั้นเองนะให้รู้ไปรู้ลงไปเรื่อยพอรู้นะเรารู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นเราไม่ได้มีตัณหาใดๆเกิดขึ้นจิตก็ไม่ได้สร้างพบจิตที่รู้ทุกอย่างอย่างที่เป็นพบเก่าที่มีอยู่ก็ดับไปพบใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นนะมีอีกเปล่ า, าถามหลวงพ่อยังไหวไหม <laughs> อ้าวมามีอีกไหมเชิญ กับนมาสการหลุงพ่ออหนูเคยเรียนเรียนหลวงพ่อแล้วะค่ะว่าหนูเป็นอารมณ์แปรปรวนสองขั้วค่ะหลวงพ่ออืตอนนี้ยหนูขาดสติมากเลยค่ะหลวงพ่ อ, อเพราะว่ามันง่วงค่ะแต่ว่ามันนอนไม่หลับค่ะหลวงพ่ออืมไปหาหมอบ้างเปล่า <laughs> หาไปแล้วคื อ, อความทุก ข, ข<อ>ทางใจเนี่ยนะ ม, มันเกิดจากเราไม่ยอมรับสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ เช่นบางคนลูกตายไปยอมรับไม่ได้ว่าลูกตายก็มีความทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นว่าเป็นธรรมดาที่ลูกต้องตายไปก็ไม่ทุกขนะ์เราไม่สบายจิตใจเราแกว่งไปแกล่งมาอันนี้เป็นปกติของเรา <Okay. S 2> เรายอมรับตรงนี้ได้เราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายอมรับไม่ได้เราเกลียดมันนะจิตใจยิงงย่งกังวลยิ่งกังวลยิ่งนอนไม่หลับใหญนะ่พยายามยอมรับความจริงหน่อยนะ หนูพยายามยอมรับกับมันนะคะแล้วก็แต่มันไม่ยอมรับเราหนูก็หาเครื่องอยู่เวลานอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ฟังซีดีหลวงพอ่อไปเรื่อยๆเป็นเอ็พีาทวนกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงแรกๆมันก็จะหลับค่ะแต่ว่าวเคล็ดรับของการนอนหลับนะั้นต้องสบายใจนะ <c oughs> ถ้าเราฟังซีดีแล้วก็เมื่อไหร่จะหลับเมื่อไหร่จะหลับเนี่ยเรากำลังฟังด้วยโทสังไม่สบายใจไม่หลับหรอก มั้นต้องตั้งใจใหม่นะโอ้โหวันนี้บุญจังเลยวันนี้ไม่นอนวันนี้จะได้ดูจิตทั้งคืนเลยบุญบุญใช่ค kind of like ่ะใช่ค่ะหนูรู้ส <ciones> so ึกอย่างนี้ค่ะว่าดูไปแล้วทั้งคืนช่างมันเถอะเออไม่หลับก็ไม่หลับไอ้นี่ใจยังไม่ชอบอยู่ไม่หลับก็ไม่หลับช่างมึงเถอะวะอะไรเงี้ยนะมันโมโหแทรกนะมันไม่ได้เป็นกลางจริงห้ามบอกว่าช่างมันไม่ใช่ห้ามให้รู้ทันใจที่ลาคาญ่ะ ให้รู้ทันใจที่ําคาใจมันลาคาญที่นอนไม่หลับนะให้รู้ทันมันตัวนี้หนูก็บางทีก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจงกรมบ้างอะไรนี้ยิ่งเดินก็ยิ่งไม่นอนสิก็มันนอนไปแล้วมันก็นอนเล่นนอนเล่นเล่นกันนอนเล่นเล่นนะหลับก็หลับไม่หลับก็ช่างมันต้องทานอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วพอแต่พอตอนกลางวันมันจะขาดสติค่ะหลวงพ่ออ๋อแงแล้วกลางคืนมันไม่นอนแล้วทํายังไงเวลาขาดสติตะกลางวันค่ะ ก็ต้องนอนตอนกลางคืนให้ได้จะนอนกลางคืนให้ได้นะต้องทําใจสบายๆหนูเล่นๆไปถ้าพอมันเครียดขึ้นมานะก็ร้องเพลงบ้างก็ได้นะเอาหรือสวดมนต์หรืออะไรเงี้ยนะ<น>ท<ำ>ํําทามาแล้วทุกอย่างเลยค่ะสวดมนต์ไปทำไม<อ>มันไม่สําเร็จ ไ, <ป>ไม่สําเร็จเพราะใจไม่เป็นกลางจำไว้น ะ, ะปัญหาของคุณไม่ใช่ตรงอื่นหรอกปัญหาของคุณคือใจไม่เป็นกลางใจอยากจะหลับนั่นแหละ หนูก็จะดูเห็นว่าตัวเองอ่ะอยากกระหล่ำอืมไม่เป็นไรหรอกนะกลางวันเบลอไปก็ช่างมันรู้ว่าเบลอใช่ค่ะหนูก็เออรู้ว่าตัวเองกําลังขาดสติแล้วกาลังอยากมีสติอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกำลังขาดสติแล้วรู้สึกไหมค่ะเออเราก็คุยไปรู้รู้สึกอ่ารู้สึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะใจเลื่อนลอยรู้สึกไหมใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกไหมใจมันเลื่อนลอยใช่ค่ะใจเลื่อนลอยให้รู้ว่าใจเลื่อนลอยนะของคุณไปฝึกรู้ตัวนี้นะ รู้ใจที่เลื่อนลอยแล้วใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันจะดีขึ้นคจําได้ไหมมากับใครมากับเพื่อนค่ะให้เขาช่วยจํานะบอกว่าให้ไปรู้ทันใจที่มันเลื่อนลอยรู้ทันใจเลื่อนลอยค่ะเออนะเนี่ยเลื่อนลอยอีกแล้วรู้สึกไหมลอยไปอยู่ในกระดาษหรือเปล่าใช่ค่ะอ้าวจบยังนมาสการนะครับหลวงพ่อคืออยากจะถามว่าจะ นำชาญและยานไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรครับนำอะไรนะชาญและยานครับชาญและยานครับยานเป็นปัญญาเป็นความอย่างรู้ความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์นะถ้าเรามียานทัศนะอยู่ในชีวิตเราเราก็ทุกน้อยพยายามดูทุกอย่างไปเห็นไหมทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปฝึกอย่างนี้บ่อยๆชาญไม่ใช่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันชาญเป็นที่นอนพัก เป็นที่พักจิตเวลาจิตฟุ้งซ่านล้วก็เข้าไปพักผ่อนพอพักผ่อนสมควรแล้วนะจิตถอยออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยมีส ต, ติตามรู้กายรู้ใ จ, นะจเจริญปัญญาไปเรื่อยเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่าสร้างยานขึ้นมามียานนะครับเราใช้เวลาไปสมคอตามพอสมควรนะครับก็ ขนมธาตุขัดหลวงพ่อไว้หน่อยนึงขอตัดจบไปเลยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้ร่วมกันถวายทานนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรด ร, รับเพื่อประโยชน์สู่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวปราบสิ้นกาลนานเทิญ ยถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสากะรังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวาสมิจฉุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโตปนารโสยถามณีโชติราโสยะถาสพีตโยอิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัฏวันตรายโยสุขีทีขาโยโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิตยังุทธาปจจายโนจตาโรธรรมวันนีอายุวันโนสุขังภลังเดือนหน้าหลวงพ่อไม่ได้มาที่นี่นะภาวนาภาวนาอยู่กับการปฏิบัติไปแล้วชีวิตจะมีความสุข